1>, 1. ปาราชิกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเสดเมทุนธรรมสุธินภานวานยี่สิบสี่สมัยนั้นที่หมู่บ้านกรันทคามไม่ห่างจากกรุงเวสาลีมีบุตรชายเศรษฐีชาวกรันทคามชื่อสุทินวันหนึ่งเขามีธุระบางอย่างจึงเดินทางไป ในกรุงเวสาลีกับเพื่อนๆขณะนั้นพระผู้มีพระภาคกําลังประทับนั่งแสดงธรรมห้อมล้อมด้วยบริษัทจํานวนมากเขาได้เห็นแล้วมีความคิดว่าทาอย่างไรหนอเราจึงจะได้ฟังธรรมบ้างจึงเข้าไปยังบริษัทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้มีความคิดดังนี้ว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเราเข้าใจว่า การที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วไม่ใช่กระทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราควรจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกต่อจากนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทามีกระถาแล้วบริษัทก็ลุกขึ้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไป25หลังจากบริษัทจากไปไม่นานสุธินกลันทบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงหน้าที่สมควรสุธินกลันทบุตรผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้าทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงนั้นข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วไม่ใช่กระทาได้ง่ายข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกขอพระผู้มีพระภาค ทรงพระกรุณาให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชด้วยเถิดสุทินมารดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกแล้วหรือยังไม่ได้อนุญาตพระพุทธเจ้าข้าสุทินพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชให้กุลบุตรที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตข้าพระพุทธเจ้าจัก <oun cing. S 2> หาวิธีให้มารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกพระพุทธเจ้าข้า